พระจะพูดมากก็มากออกไปจากใจยตนก็ยต์ลงมาหาใจแปมื่นสี่พระธรรมขันธ์เรียกว่าเทศอยู่สี่สาพันษาเมื่อเอามารวมลงแล้วในไตรสิกขาก็มีศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่ดวงใจเทศคนนั่นอยู่ที่นั่นบ้า เทศคนนี้อยู่ที่นี่บ้างด้วยอุบายทําำนั่นบ้างด้วยอุบายทําำนี่นบ้างแล้วก็เอามารวมไว้ได้ผลอย่างนั่นบ้างไม่ได้ผลอย่างนี้บ้างแล้วเอามารวมไว้ครบแปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์เทศอยู่สี้าภาษาไอ้ที่แท้ในเนื้อเรื่องของเทศนั่นก็มีให้การและช่วทําดีเพื่อให้พ้นทุกในมยวตาสงสารเท่านั้นเนื้อเรื่องมีเท่านั้นจะเทศสั้นเทศยาวขนาดกลางขนาดกลางเรียกว่ามัชชิมวัตขนาดยาวเรียกว่ามหาวัคหรือทียฆวัต ขนาดท่านเรียกว่าจุนวัรคหรือเอกวัตรเอกวัตรย่นลงมาแล้วมหาวัตรเรียกว่าขยายออกจากเอกวัตรเพราะพูดมากทำไมยังพูดว่าเพราะมันไม่เข้าใจถ้ามันเข้าใจแล้วคำเดียวท่านนั้นท่านพูดบางท่านท่านเทศคนบางคนก็ไปรบกวนพระองค์ท่านเทพขอพระบรมศาลาเทศให้ข้าพระองค์ฟังด้วยเออเวลานี้เราบิณฑบาตอยู่มันไม่สมควร เดี๋ยวโลกเขาจะเตียนว่าไม่ส้ำรวมพระเบเนธบาทต้องส้ำรวมมีตาทอดลงเดินหรือนั่งในบ้านเออบางทีพระบรมศาสดาตายเดี๋ยวนี้ก็ได้บางทีผมตายเดี๋ยวนี้ก็ได้เพราะความตายมันมีอยู่ที่รวมหายใจเข้าออกในที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่าพระบรมศาสดาไม่รู้จักแต่เก้าพูดเพื่อให้รู้จักเกียรตนาต่างหา เออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากเนอเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นเอาพ้าละหารไปกินแล้วนะนน่ะ น, ะนี่เรียกว่าเอกนิบานทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าดอกบัวมันเป็นตูมมันจะบานแล้วมันสร้างบารมีแก่กล้ามาแต่ชาติก่อนแล้วแต่ขั้งพระเจ้ากัษปะผลักบันไดทิ้งพักบันไดทิ้ง อดี๋ยวนี้พระพุทธศา ส, สนากัจจปะนั้นเสื่อมลงไปแล้วคนเสื่อมหนีไม่ใช่พระพุทธศา ส, สนาเสื่อมพิกษุไม่เคารพกันไม่เคารพพิกษุทธิผู้เฒ่าผู้แ ก, ก, ก่ตามอายุพรรษาตีเสมอกันเหมือนเด็กเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือพวกเรานี้เถิดน่ะไปขึ้นไปบนรอยนะขึ้นไปบนรอยแล้วพวกเราก็ผลักบันไดทิ้งไม่ห้าจําพวกห้าคนเราเนี่ยนี่พวกนี้ปลาประเม็ดไม่อยู่ด้วย ผลักบันไดทิ้งใครดีก็ไปเป็นทาบาทมาสู้กันใครไม่ดีก็ตายที่นี่หละพวกเราภาวนาตาย บ, บนรอดดอยนี่ยอดเขาเนี่ยผลักบันไดทิ้งตกลงไปตกลงไปด้วยกันส่วนเจ้าพวกหนึ่งเป็นพระหารไปแล้วเพื่อนเพื่อพวกหนึ่งเป็นพระอนาคามีไปเกิดชั้นอเวหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอาการนิทากาเป็นลำดับไปส่วนท่าน่ะ มีอันกสง์ไปพร ม, มโรกช่ําต่ำก็เลยมาเกิดในศาสนาพระสัมมาทัพทธเจ้าของเราเพราะได้สึกฝนสมาธิหรือฌานอะไรมามากแล้วพิจณาอนนีิจังทุกขังมาพอแล้วพอพระบรมพอเอ่ยอนัตตาทำใส่คำเดียวเท่านั้นเป็นแต่ฉักว่ารู้เป็นแต่ฉักว็ก เ, กวเห็นคือไม่ให้ยึดผู้รู้คือไม่ให้ยึดผู้เห็นให้เป็นตนเป็นตัวความรูป ก, กว่างความเห็นกว่าง ท่านก็เลยถึงถึงพงระรหัสด้วยเพราะบารมีสร้างมาแต่ก่อนนะนะักนะักพระพุทธศาสนามีทุกเนี่ยทุกมุมตํานานถามอันไหนก็ไม่จนไม่คาสารีบุตรสร้างบาลมีมาเท่าใดโมคคราสร้างบารามีมาเท่าไ ร, รอดพระบรมศาสดาสร้างบารามีมาเท่าใดภิกษุองค์นั้นสมณีองค์นี้โยมคนนั้นโยมคนนี้เดี๋ยวนี้โยมคนนั้นนึกยังไงโยมคนนี้นึนกยังไง สัตว์ตัวนี้มาจากไหนมาจากไหนตายแล้วไปเกิดที่ไหนพระบรมศาสตราบอกถูกมดนั่นเราได้หัวหน้าดีนั่นนั่นนั่นนักมหาปรินิพพานสูตรสุภัทกราบยนพระบรมศาสาพระเพราะท่านบวชในวันนั้นท่านเป็นปชิมมสาวกปทมสาวก ค, คือพระโกลทันยะปัชิ ม, มสาวก ค, คือท่านท่านบวชในคืนวันที่พระบรมศาสตราจะเข้าสู่นิพพานนั่นเอง พอสำเร็จพระพระหรหันแล้วท่านก็มากราบทูลพระบรมศาสด า, าท่านออกไปข้างนอกนิดหนึ่งจากสังคมไปท่านไปภาวนาท่านไปเดินกับตรงโกนก็ไปกลับมาท่านก็สําเร็จพระหรหันในตอนชุดท่าเพราะในชาติปางก่อนของท่านเคยเป็นพี่กับน้องพระโกนทันญะมาแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อ น, กอนโกนทันญะเป็นน้องชายสมัยนั้นสมัยชาตินั้นพระผู้บวชต่อแก่นี่ เป็นพี่ชายพี่ชายเอย๋ยเราทํานาเนี่ยเราจะทานข้าวเก้าขั้งข้าวที่เป็นลูกพอเป็นออกลูกเราก็จะทานให้จบเก้าขั้งจนตลอดถึงเอาเขายุ่งเข้ายางเออกูไม่เอารักมึงจะเอาก็เอานะเขายุ่งเข้ า, ขายางกูจึงจะขึ้นยุ่งขึ้นฉากรูจึงกูกูจึงจะทานเพาอย่างนั้นทีนี้พอมาเกิดจากสถานของพอระธรรมธาพุทธเจ้านะผู้ทานง่ายได้สําเร็จพระรหัสก่อนอ่ะพี่ ผู้ทานที่หลังสําเร็จตอนพระบรมศาสตราจะเข้าสู่พระนิพพานนั่นนั่นนั่นพระพุทธศาสนามไมดเนีปยปกิตพงสาวดารพระพุทธศาสนาเต็มเลยสีย่สิบ้าเล่มร้อยเล่มก็มีนักนั่ น, น, นถามอะไรไม่จบไม่คาเลยพระพุทธศาสานานั่นทีนี้พูด้นนั้นต่อไปอีกเพื่อส่งเสริมศรัทธาเออศาสนาอื่นถ้าเขาไม่ประมาทในยันยะวิธีของเขาเขาจะ สำเร็จพระโสดาบันสักกทาคามีอนาคามีอนาหารบ้างหรือไม่พ่อเจ้าข้าเออเราไม่พูดเข้าข้างตัวเรกเราพูดเข้าข้างธรรมชาตชนะอื่นๆไม่มีพระโสดาบันไม่มีสักทาคามีไม่มีพระอนาคามีไม่มีพระอนาหารเลยเขาจะมีมาแต่ที่ไหนเพราะเขาเลื่อมใสแต่วัตถุนิยมทางอุดมคติเกศมันจะเป็นยังไงเขาก็ไม่ชำระเสียแล้วแม้ตัวของเขาเป็นหัวหน้า ศาสนาแต่ได้อย่างนั้อย่างเขาก็เป็นพุทธชนคนหนาเราดีๆนี่เองนี่ตถาคตเป็นพระนันตตะสัมมาทัทธเจ้าอย่างเต็มที่แล้วรู้กเกณฑ์เขาแล้วเขานึกยังไงอยู่หลวงปู่ก็ตถาคตก็รู้เดี๋ยวนี้นั่นนั่นน่นนั่ น, น, นอย่างสูงกลไปเทวโลกพรมโลกซึ่งเป็นพรมโลกีซึ่งเป็ น, เ, ปนเทวโลกโลกีนั่นเองไม่สามารถจะถึงพระโสดาบันสัคาคาเมอนาคาเมดอก นะนะถ้าอย่างนั้นพระไตรปิกเอาไปเผาไฟสิงซะนอนเท่าอยู่ทำไมอยู่ที่กรุงเทพฯอโขนั่นซึ่งเป็นเทว่าโลกโลกีนั่นเองไม่สามารถจะถึงพระโสดาบันชักทาคาเมอนาคาเมดอกนะนะถ้าอย่างนั้นพระไตรปิกเอาไปเผาไฟสิงซะนอนเท่าอยู่ทาไมอยู่ที่กรุงเทพฯอโขนั่นแล้วก็พูดตามพระไตรปิกเพราะเรามาได้เห็นพระพุทธเจ้านะ่ย ใจแปลว่าสามไปดกแปลว่าที่รวบรวมนะไตไปดกข้างนอกไตไปดกข้างในคือจิตใจพูดแช่นนี้มีประโยชน์อะไรเพื่อกล่อมจิตกอ่อนไกลให้เริ่มใส่พระพูทธพระธรรมพระสงฆ์นะไม่ได้ดูหมินดูแม่ท่านผูน้ใดอุจจาระมันเหม็นก็ต้องว่าเหมือนสิถ้าอุจจาระว่ามันหอมเราก็ลำเอียงสิ น, นัอันอื่นก็เหมือนกันของนี้เราก็ต้องต้องบอกว่าดีของคดีขณะนั้นก็ต้องบอกว่าขนาดนั้นอุปมา ลำเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกฉันทาคติรักมันมันจะทําผิดสักเพียงไหนก็ตามเพราะรักมันเรียกว่าฉันทาคติลําอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทสะคติกูไม่ชอบศาสนาพุทธจะดีสักเพียงไหนกูก็มาให้คะแนนนั่นนั่นเอ้าเอ้าเอ้าเองเพราะกลัวเรียกพยาคติถ้าหากว่าประกาศเรื่องใส่พระพุทธศาสนาก็เก่งจะเพี้ใจคนอื่นเรียกว่ากลัวนั่นนั่นน ลำเอยียงพระเขาเรียกโมหะกติเพราะครบสภาพพราติชนะไม่แตกก็เรียกว่าโมหะกตินั่นนั่นนั่นอคตีสี่ประการ น, นี้ไม่ควรประพฤติน่ะพระบรมชาติยดาเห็นไหมนักผู้ดับปีติสาคตาธรรมาเกิดขึ้นทัศนีนัะประหาตะพาธรรมาก็เห็นธรรมภาวนายาปหาตะพาธรรมาก็ภาวนาไปในตัวภาวนา เหตุกาธรรมะก็เป็นเหตุให้ภาวนาไปในตัวเป็นพุทธาธรรมะสังขานุสติอยู่ในตัวเธอทูลพระพุทธศาสนานี่เป็นพุทธาธรรมะสังขานุสติอยู่ในตัวแล้วนั่นนั่นนั่นไม่ใช่ว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจึงจะเป็นมันเป็นอยู่ในทางอ้อม่ะทางตรงอิสุร้ย้ยนั่นนั่นนั่น <c oughs> มีศีลห้าบริบูรพระโสดาบันไม่เสียดายากลวงระเบิดศีลห้า ไม่เสียดายอยากเล่นอบายยมุกไม่เสียดายอยากกระถือสาลาอื่นนั่นผู้ที่เล่นอบายยมุกมันไม่ถึงไตสนะคมเนอเออมันถึงแต่ปากก็ถึงโลกีชนะโลกีถึงโลกีไม่ใช่ถึงโลกุตระสนะคมไตสนะคมโลกีผู้เล่นอบายยมุกถึงถึงโลกถึงผู้พุทธรธรรมสงทางโลกีไม่ใช่โลกุตระนั่นผู้ไม่มีชิ้นห้าก็เหมือนกัน ผู้ค้าขายเครื่องประหารค้าขายมาค้าขายสัตว์เป็นเรื่องอสัตว์ที่ต่อค้าไปเป็นอาหารค้าขายนมเอาค้าขายยาพิษก็เหมือนกันพวกนี้เป็นโลคีโลคีพุทธศาสนาถ้าถือถือศาสนาบ้างถือพรามบ้างถือผีบ้างมันมีอะไรบ้างจับปลาสองมือสามมือมันก็ปลดไปซะนั่งนะันะ่ถ้าเขาเอ่ยทางอะไรก็ไปกับเขาขเป็นว่าเชือกขาด เป็นนุ่นปลิวไปตามลมนั่นนั่นนั่ไม่มีหลักในเจ้าของปฏิบัติไม่ไม่มีหลักไม่มีแก่นไม่มีสารถ้าเป็นไม้ก็ไม่เป็นไม้ทองกราวไม่มีแก่นไม่เหมือนไม้ประยุงหรือไม้แดงหรือหรือไม้เต็งไม้รังน่เขาพูดไปทางไหนก็ไปกับเขาหมดน่ถึงเราไม่เถียงเขาเราก็ไม่ไปกับเขา ครับครับครับคถ้าเขตเอาเขาไม่ได้ครับครับครับครับแต่ใจเราไม่ไปครับครับครับแก้ราคาญครับครับครับครับเขาบอกให้เรากินแล้วเราก็ไม่ยากเอ้ยผมเป็นโรคครับเป็นโรคอะไรเป็นโรคอะไรบอกไม่ถูกคุณหมอเขาไม่ให้กินคุณหมอคืออะไรคือคุณหมอบาปเนี่ยเราไม่อธิบายนะมันก็ยากมันไม่ยาก่ะเขาเอาเรามาให้เราอผมผมผมฉันไม่ได้ผมทานไม่ได้ครับขออภัยเออถ้าอย่างไง มัน ก, ก็แบ ก, ก, กอนุโมทนาครับเราแบกเนื้อแบบขวนเนียนอำเภอคนหนึ่งผู้จะ บ, บ้านเข้ามาได้กินเขาเข้ามาได้กินเหล้าแม่ผมบ่กให้กินแม่ผมเป็นแม่เขา ว, วโตไปหักแม่แล้ว ก, ก็สังคมว่ า, วาแม่ไปผู้เรี่ยงมากเนียครับเพราะฉะั้นแม่แม่เขาสิืว่าหักอย่งไรเพราะฉะั้นแม่ขาวบอให้กิ น, นเพาะฉะนั้นว่าในอำเภอได้เนียนอำเภอก็เลยเออถ้าอย่างนั้นก็อนุโมทนาคือแบกขวนไงวันเนาะ กมันเหตุ่เหตุที่เป็นกวนเนี่ยเออว่าไกันนะแต่ลวนตนั่นมากกเลยบบบบส่วนจินจักเตอเราญา้ิก็ออกก่อนนอำเภอเราญาตนาอำเภอก็าไ่ได้ถือเราเลยหระนั่นขันเท้าเหตุถือมันกับพวกปีนังได้เดียวนี่ไปก็ครบก็เพิ่นกับับไปได้อยอ่นั่นการค้อมีดถ้าเพื่อนเจ้าก็บอกการข้เมีดพวกคราวาสอเนี่ยเออส่วนพระเนี่มันกลายมาเล้วะเรื่องวัดเรื่องเบอเรื่องบอกเรื่องเบี้ยพระเนี่มันกลายมาแล้วะนี่วาสตรงตรงะนี่ย พระนี่มันมั ก, กายมากรนั่นแล้วเรื่องวัดเรื่องเบอเรื่องบก เ, เ, เรื่องเบีย้ยเรื่องถือศาสาธรารอื่นสิกษพระนี่มันก็กลายม า, ลามาเนีวยว่าไม่อยากจะไปสอนอีกว่าออสัการเข้าเมตดพระพุทธเจ้าก็สอนอ๋อเม็ดแท่สี่จำพวกมิตรมีอุปการะมิตร่วมสุขร่วมทุกเมตรแนะประโยชน์มมตรมีความรักใคร่ม็ดสี่จาพวกนี่เป็นม็ดแท้ควครคบ หนึ่งเม็ดมีอภาระมีรักษณสี่หนึ่งป้องกันเพื่อนผู้อมทแล้ว2ป้องกันทรัพสมบัติของเพื่อนผู้อมทแล้ว3เมื่อมีภยัยเอาพิธีที่เ พ, พิ่งทำนักได้4เมื่อมีทุระช่วยออกทรัพย์ให้กินเกินกว่าที่ออกปากสเมตดร่วมสุขร่วมทุกมีรักษาสี่หนึ่งขยายความรับของตนแก่เพื่อน2เปลดความรับของเพื่อนไปแฝงพายสามไม่ละทิ้งในายามวรบัติ สี่เม้ชีวิตก็อาศระแทนได้สา ม, มิตรเนีประโยชน์มีลักษณะสี่หนึ่งห้าเมฆะทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยนำใจอันงามสี่บอกทางสวัสด์ให้มิตรมีความรักใคร่มีลักษณะสี่เมื่อเพื่อนทุกข์ก็ทุกข์ด้วยเมื่อเพื่อนสุข ก, ก็สุขด้วยโต้เถียงคนจะพูดติเตือนเพื่อนรับรองคนพูดชนะเสรินเพื่อนมิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้ควนคบนั่นมิตรปฏิรูปคือไม่ใช่มิตร คือเป็นมิตรเทียมไม่ควรครบรหนึ่งคนปอกรอกสองคนดีแต่พูดสามคนหัวกระจบทสี่คนชักชวนในทางเสียหายคนสี่จําพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรคนปอกร อ, อกมีลักษณะสี่หนึ่งคิดเอาแต่ได้ฝ่ายดีสองเสียให้เพื่อนน้อยก็คิดเอาของเพื่อนมากสามเมื่อมีภัยแก่ตัวก็จึงรับทํากิจทุระช่วยเพื่อนสี่รอบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวนี่ก็ไม่ควรครบ คนหัวประจบมียักสนั่สี่จะทำดีมันก็ค่อยตามจะทำเชื่อมันก็คล้อยตามต่อหน้ามันก็ว่าสราเสริญรับหลังมันก็ตั้งมินทาอันนี้ก็แม่ควรครบเนอพ ร, ระบรมชาตินะมิตรชักชวนในทางเสียหายก็แม่ควรครบอีกหนึ่งชักชวนดื่มน้าเมาสองชักชวนเที่ยวกลางคืนไปเที่ยวเล่นดูบาร์ดูว่าดูเบอร์อะไรสารพัดละสามชักชวนให้มัวเมาในการเล่นปิงปอง ป, งปิงเป่งอะไรตีก๊อปตีแก๊ปอะไร สารพัดเตะตะกอ้อเตะกินที่แตกแียงไปเอาลงให้เขาเ็ให้กินนั่นเตะกระต้อเมื่อไแล่แะปัญหากิขเขาขเข า, ขออ า, า, า, ากินเขาก็ยังสัมผัสได้กนเสียงออกกำลังเนี่ยพอะออกกำลังก็ไ ป, o, นนไปหิวขุน้ำไปมดพักมันตียงังปลูกลำบ้านสองสามต้นหรือพอดีก็ไปซื้อตลาดกันบ่นะชักเควรนให้มองนะในการเล่นชักเคือนเล่นกนารพนัน อ๋างเี en> ้ยเพื่อนเนเมื่อนี่ไปเทวดาตำรวจมามาพุ่นขึ้นปตะึกนั้นเท่าขึประหองพุ่นไปไปไมื่มื่เอาเอาไพมาบอแต่ตัวนั่นน่ชักเขือนห่งมองใาการเล่นเล่นการพนันพูกกูได้ยินกูไปหาพระมาจังมันตัวจริงเลยเพื่อนเห็นว่าเอานั่นนันชักเขื่อนแการพนันอะไรนี่ยแตตัวมันเสียไปเมื่กี้ัไม่แต่ตัวจริงเท่านั้นะจริงชักเสียเท่านั้น ตัวจริงแค่เด่ น, นแท่แคัท่านพูดว่าเดนทั้งเพี้ยนอยู่แล้วแล้วบางคนหาบอยู่ว่าท่นผู้ใดกําลังขวดตัวแตกหมดเดี๋ยวนี้ไทฟ้านกับบมีมันเื่อไปใส่เรนชนาคา้นเล็ก็เต็มโลกเยอะแยะนี่เอออีพ่ออีแม่กูเอ๋ยให้เด่นให้เสียให้เด่นหน้าเสียนหน้าเออเลีนเมียเสียเมียเลียนลูกเสียลูกเ อ, อ๋อให้กั บ, บ่อมีหน้ากับบอมีเออเอาเงินชนาคั้นมาแล้วพันว่าไปซ่งมวดเขาเอาไปเลีนเลข นั่นนักเข้าไปนักเข้าไปสองวดนสามวันเข้าไปก็เห็นพิษศพจองฟองรูตายนั่นนั่นนั่นนั่นสมมุติถานมโยหันเจอประเทศสูงอรหัตอรหันอย่างไรมันฆ่าอยู่นี่มันจะไปพรลหันได้บ่มันฆ่าอยนี่มันคองโยนี่มันจะไปได้บ่ปเทศสูงเอาค้มบ่ข้อมหูมากอวดกันเื่องชื่อสร้างบ่เน่แมนบ่นั่นนั่นนั่นนัมันฆ่ากันนี่นี่เนี้ยเล่นสู้กับเมียกับพานั่นเล่นสู้กับผัวกับพานั่น คำว่าไปนี้ก้อยส ก, ก้อนเดินแต่กับขึ้นมาเรียบแล้วแมนบอกนั่นเว้ยเบื่อนี้โรกเอ้แมนบอก น, น, น, นั่งงามใส่ ง, งามเพิ่นเพิ่นุงส่งว่านุงสินยักร้อยนยากจแก้ฮอทหีเหมือนคำามาในาวัดแมนบอกอย่ตีมาพอมกอบดีใส่ไปดีสถึับงัดแบบนีบน่ คท็กบ้นี่ผู้ใช้เท่ากันล่ะจักนอยเนี่ยวัดต้องนุ่งเท่าสินียเหมือนนแค่ไหวัดต้องนุ่งจักน้อยเนี่ยผู้ใช้กับวัดต้องนุ่งผู้ยิ่งกับวัดต้องนุ่งเปลือยกายขึ้นมาขึ้งง้อยเลยห้าต่อการนักขลาดถือรถมันก็ทีว่าสั่งตัวแม่เนสั่นักนั่นมันนักนักขอนักขามาไหได้บานเนี่ยนั่นั่นัปีมันไปวัดนี่ล่ะขมนเท่าเทากับว่าเอามาไว้ในประเทศเท่กันล่ะพวกเนขมนเท่าเป็นผู้ใหญ่เดยเอานุ่งน้อยห่มน้อยมาในประเทศเท่า เอามาขายหนาพระพุทธเจ้าเอามาตีหีตีหั่มเสพศาสนาพุทธอยาตีก็ไปตีพระเพระเยซู้ทั้งนอกคุณเธอแม่ก็ไปหนาคะแนนกันอยูุ่ประเทศอื้อนคนเอามาประเทศเงงงงท่าให้ยังไงเออหนางงสะตายนั่โง้ไรสะตายเข้าวะพวกเขาว่าสนถือศาสนาพุทธหนางงพุทธเข้าวะแม่นว่ามนุงย์น้่นนนยนยให้คะแนนกั น, นเออหน้า ง, งามมาท่านชส่งามมาท่านเออ แล้วใส่ง่ามท่าพระพุทธศาสนายิ่งง่ามทาาพระพุทธศาสนาเนอ่ยเดี๋ยวอฟังผุนมันฟังว่าบะไรมันไปผุนมันฟังว่าอะไมันงาโพดนะมันฟังว่าอะไรมันไปไปชุไปไปช่วยไปไปไกลมันงาโพดมันฟังว่าอะ ชาวบานเหอเล็กข ม, มันเหนียวไร้เพื่กรติแห้งเือกรตีตีเล็กได้สิข ม, มันข ม, มันเล็กเล็กเล็กธรรมดาเล็กย่าถูกเผาข่ า, ขาแดงเลยได้ยัดตีข้าแห้งเลยเล็กถูกใจอย่ายงนั้นบอเล็กแลมันแขกเผาแดงๆไตหลังแอแนแองแงหมดหรืว่างะไรโทษเือกันนะก็มาแกงขาแห้ง น่าง่ามพุทธศาสนาเน่สร้างงามพุทธศาสนาบริญยมสัตว์วันะนี่สร้างงามนางงามสันที่หน่บริยมสัตว์วันะคือพระลหันสันที่สองพระอนาคามีสันที่สามพระรักท้าค่ามีสันที่สีคือพระโสดาบันนั่นน่ะส้างงามหน้าง่ามท่าพุทธศาสนาบนิยมสัตว์วันะภูมิเชนหาบริบูรอันนั่นน่ะเป็นสางง่ามงามหน้างงามสันทสัตวนเนาะสันชุดท่ายแทมันพระหันนั่นพูดนะไปแรงพ่อ แล้วพ่อมูโตไปเ <c oughs> พิ่นโมเลเล่เพิ่นโมเลเล่เพิ่นเครียด <c oughs> ไปอบอกโมเลเลก็ไปรถ <c oughs> ย و, มันของเงี้เอาหนีดหานานน้ดิหรว่ายังไงนว่เมือ่อคัอล้างสัมผูนผู้นเอาเมื่อคัหล้างสัมผูมันกองก็ตัวอมอน พระเสียกัไปฟั่งเทศหรือว่าสัมบออัตมาภาพอัตมาภาพแล้วมาล้มจะภาพจะภาพพี่น้องพี่จ้าบอแม่นว่าสั่งงั่นเป็นทุกไป็นย่ากันมันพิษไปได้ต้นมันคำนั้นพิษไปได้ต้นแล้วก็เพิษบัดรน่ะมันไปบัตรถือกันเถอะมันพิษไปได้พี่ได้โม่ห่อพระคือกันเนื่องคือกันพิษไปแต่ต้นเสียประเทศอรหันโรถจังหาบเอเพราะว่าแต่ต้นมันก็ยังบัถือนั่น ก็ไเอาตะขั่วพนมาว่าโอ้เส้อเนี่ยตนนั้นมันบดถือกับที่ว่าจังไหนอืมมันบดถือมันจะตกอผลจะตะกอก็ะว่าได้สีได้ตกขอจังไหนทังหมาแท้จะตะกอกระจำว่ได้สี่อ่านหนังสือได้จังไหนอย่างนั้นนั่นเอาว่าปานนี้เมื่อไรเด้เอาบ่คักว่าปานนี้ป่านนั้นกูภาวนาบันหันกูภาวนาบันนี่ภาวนาพระว่าขี่หันไปพูกเอาตะเด็ดมันจะหาพจนเนี่ย แม่นบ่กผู้บุกผูกก็มีนะขออภัยผู้บุกผู้บ่เลี่นเรก็มีอยู่านสิมีพระสามข้หน้าบุแล้วเหรอโยนี้อ่ะฮะอื่านนี่ผู้บ่เลี่นสาวกสิมีพระสามข้หนมาบูแล้วเนี่ยอันอยู่ผู้นี้ก็บ่กกาเทศคือว่าจังไรสันเอางั้น ผ, น, น, นผู้นี้มาพูดว่าได้บุญใดผู้นี้บ่าเอามาเทศเด้มาเทศกับผู้เป็นเรื่องสันนิฐานนื่นเป็นเรื่องเอาแผนที่มาให้นั่นสบุด ของว่คซีนได้แล้วเน้นลงพูกนี่ยากระเาะปูด ย, ยาเนี่ยนั่นเทาได้แล้วนั่นเทศยกตนของผู้อื่นถ้าองไปแยงๆถ้าว่าก็ถือคือในเทศห้าอย่าง แสดงทำไปโดยลำดับไม่ตัดรัดให้ขาดความอ้างเหตุผลแนะนําให้ผู้ฟังเข้าใจตั้งจิตเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่แสดงทำเพราะเห็นแก่ล่าไม่แสดงการทากระทบตนและผู้อื่นคือว่าไม่ยกตนเสียสีผู้อื่นภิกษุเป็นธรรมกติพึงตั้งองค์ห้าอย่างนี้ไวในตนธรรมัภาวนาในสงเคืออในสงแห่งการฟังธรรมห้าอย่างหนึ่งผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งใดที่เคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดบรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้อง ถ้าจิตผู้ฟังย่อมผ่องใสเมื่อความเห็นถูกต้องแล้วจิตก็ผ่องใสนั่นพระพุทธเจ้าสอนไว้อันนี้พูดตามเป็นจริงเลยว่ากระทบตนกระพือเนี่ยูดตามเป็นจริงจะ็กก็พูดเป็นกาลางนด้พูดว่าตามเป็นจริงเด็กก็ว่ามันพูดเป็นกลางว่ามันเรียกว่าคนกลางมันเพอคนกลางไม่ต้องพูดตามเป็นจริงนด้โอนเขาทังนั้นโอนเขาทั้งนี้ว่ามันคนุนกะลางแม่งนบ่นั่นไฟมันฮ้อนกับว่าฮ้อนมันจำไหม กางเมันเฮ็ดจังสี่มันเป็นบาปมั้ยฮะมันจังกางเลยเฮ็ดจังนี่มันเป็นชางคลิปหายมันจังว่าเป็นกางเลยคลิปหายไปไหนก็ว่าลิปหายมมันว่าเป็นกางเลยะแม่นว่าน่นน่นนั่นดว่า่าทกอย่านั่นเลเอาเลยเนาะเมื่อเมื่อเมื่อเนอยากเมื่อหอวะเวลาตอนไนได้ไงนะพวกพวกเรนเลขได้พวกไปเถี่ยี่เพิ่นซุมหนึ่งให้ ชนหนึ่งมาต้งเว้นนั่นมาสามเรีนั่นละเข้าว่าออกมาเข้าว่ออกมาเข้าว่าออกมาหดเขาราองคนถาามเรีกเขา่ออกมาไม่รอดเครียดเหรรกวนอะไรบวว่าไปหาเนี้ยรบกวูนั่นเนี้ยคนเนยบ้าพีบ้าเด่นอนบมันคุ้นถึงว่ารับแขกเรียกไว้แล้ว เขาวางั่นเพามันฐานะคสนสนวว า, น า, ม, าสมารับรับแขกเล็กวาสั่นเอาว่าเออเขาบวชเพื่อคนทุกขุผมันสามารับแขกเล็กไหมม่ให้กินกับว่ากินน่ะมีเพื่้กินด้วยเดียวเนี่ยวางสั่นว่าไม่ได้่าถึงอได้ได้ได้มื่อนี้ว่าได้ได้ย้อนเลขเลยเนี่ยวาสั่นว่าได้เขาย้อนเขามีศรัทธาได้มาเฮ็ดน่ะได้ย้อนพระพุทธธรรมประสงค์เขาเห็นแกนาคาซื่อพระพรประสงค์รวมเขามาเฮ็ดได้นี่ยเมันได้ย้อนเลขกเลอันมื่อนี้มือนี้เมื่อนี้มื่อ น, น, นี้น่ะ ให้พระเมือเช้านี่ลงที่ไปพระกัจังหวะเขาเขามาหาเรียไปยังจังบวบอกเขาเอาไสัน่ะคอยเหี้ยนทอดปลาต้นเล่นงหญ้าคนคพระพ่อคอยบ่เป็นตาได้บุญ่อยก็บบ่มาเฝ้ามือหนึ่งอยกบ่มาเฝ้ากัว่างสัตวยังว่าให้พระหัวซักไปเมื่อเช้านี่อืมคอยว่าคนผีบ้า่อยเหี้ยนอดปาเลญาเอกลญาโทพ่อแม่คูบ้าอาจารย์ว่เป็นตาได้บุญคอยกับบ่ม่าเป็นตาได้บุญคอยจังหวะป่าพระมิดคอยบ่ย่อมอยู่ เพิ่ยนยังไม่พอกันว่างฉันใ้ให้พระลงพหลงพี่ไปต้มมเข้าเนี่ยสีอไม่หารักษาแต่เาเขาสยรักษาไว้บอกว่าเงินใจเยอะนักเขาผุนเงินก็เยอะนเขาผุนวะฉันผู้ซื้อก็นัเขานเขาไปซื้อเขาก็ามบอกเขาวะเขาทิซื้อเขาบอกเข้าเขาที่ว่าผูกเอาหเขาเขามบอกเขาวะเขาเราว่าฉันว่าเงินเยอะนักเขาผุนวะฉันเสียมาตีเขาจังไหนวฉันเขาไปถามเองกันรู้ เขาไปถามเลยกันย่เติมันตัวัขึ้นมันตัวนี้ถ้าห้พระเทพมอขึ้นีรือให้ห้องไว้กันกจังหวาไปยังจังหวะให้เขาหโตมาดูถูกพอแม่คู่ว่าอาการใคก็บพวกผันดูถูกคอยที่คนซ้ำนี้ก็บไปเอาผีว่าเป็นหัวหน้างูจ่อมาถูกูถกคอยที่ไปยังจังหวว่าห้พระหัวทักไปมึงสร้อยมขึ้นนี่กันมืงขึ้นเนี่ยให้ยีนห้อพระมรรคคนมึงขึ้นเน่เขียนไว้พอแห้งแล้วมันรมมานากรได แล้วเขียนตั้งเัรก่เขียนในรพัแห้งลหนังสือตั้งซีเด็มก็มีดตั้งต่ดาอาวายังหมกทั้งนั้น เ, เรื่องพุทธาพิ่สงพิเศษเรื่องนีหยังเรืตุ้ดาทายังเขียนาดาดหนังสือก็บว่าม่นดาเนี่ยวาตามส้สอนมาพระเจ้าคำว่างสราพระไตรปิรกเอาไปเผาไฟถิมสตีสเต้เผาเนานอนเผาอย่าง้อยู่ในกรุงเทพเน่านั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง ยะทาววิวหาปุราปฏิปเรนสีสะขลังเองเมวาโตธินาเปตังนังมุปกัปติอิทิตังปติตังตุมหังทิปเมวะสะมิจฉุกทรเพรปเรนตุสังกากันโทปนัสโอยถามุนโชตินัสโอยะถาสพิธิโยอิวัชชนสสตปุโคสุภโยสโรโควินุตมาเตภวัตรันทาโยสกีตาโยโกโพอภิวาตนาธีนิสานิสังมุธาปยายโนจตารวธรรมาวัันติอายุโนสุขังพลังมันอาถารตัวควบดีของตมันก็ดีก็อาหาตัควส่วตัวเมมาสั อาหารจากขาคนเข้ามืองินได้หระแม่นว่าโย่โอ้ฉันเรียกตัวขนเข้าใจถึงขุนน่ะใจถึงสั่งดีดิแม่นบ่าใจถึงสา่งซัวมันจะให้ผลตามตัวสิว่ายังไงมันให้ผลอยู่างพใจเนี่ยอคนเข้าบอนรักษาความดีของไว้ข้นดีมี่น่อยหนึงว่ารักษาไว้มื่ก็เแย่เมันอกี่มี่ทั้งตัวร่างว้าแทนะรักษาความดีของตนไว้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มอั่งนี้ ใจถึงขอให้ใจถึงทางดีเถิดมีนิดเดียวก็เป็นที่พึ่ง<พ Young>ได้ความดีถ้ามีมากก็ย่งเป็นที่พึ่งมากใจต้องเป็นที่พึ่งของใจถ้าใจไม่เป็นที่พึ่งของใจจะให้ผีตัวไหนมาเป็นที่พึ่งของใจใจเท่าเท่านั้นจะทําลายใจถ้าใจไม่ทําลายใจจะให้ผีตัวไหนมาทําลายถ้าใจไม่ทําดีให้ใจจะให้ใครมาทําลายให้ใจจะให้ใครทําดีให้ใจ ทำดีก็ทําอยู่ที่เมืองไกลทําชั่วก็ทําอยู่ที่เมืองไกลชนะกิเลกก็ชนะอยู่ที่เมืองไกลชนะโลกโกรธหลกก็ชนะอยู่ที่นี้ไม่มีเวรนิพพย์ก็ไม่มีอยู่ที่นี่ชนะความชนะโลกทั้งปวงก็ชนะอยู่ในที่นี้ไม่สงสัยในโลกทั้งปวงก็เรียกว่าชนะโลกทั้งปวงนั่นโลกภายในคือตาหูจมูกเดินกายใจโลกภายนอกโลกเสียงกลิ่นรสผลธัมมโลกคือชาติภพนั่นพระพุทธเจ้าสอนตรงนี้นั่น เดี๋วบะมี่ยังจักเม็ดพื่อสอาหันก็เม็ดตะคุ่มชัวร์ก็บว่าใดเร็วมนันรเท่าเนี่ยางว่าแทะมั้นว่าสัง่งว่ประมาณน่ขันเราทั้งนี้เพราะว่าตบ้านยินดีน้าเล็กน้ำผาตัวก็บว่าประมาณแล้วตวบ้นยินดีนําถือเอกก็กซ์นวดและขคาาตัวกบ่ประมาณแล้วเนี่ยสักไร่ไร่สกับ่มันสีมี่คู่เขี่ยไปข้องยังสักน้ำเขาซื้เขาว่ามึางคือผู้หญิงเหมาสักซะเชียวเว้ยวัชนวาชันกดเตจักบาดได้ไว้สักไร่สักน้ำเขาซื้อปูเซมันนักเลกเลยเนี่ย ข้าวบะเซียสัมแข็งบะเซียเขาพะโมกคนากรตายอาค้อนเขาสรางโม่ในไตโลกรธาเนี่ยขาบะย่านเนียาวบะ่านจะ้นเสือเข้าเข้ามันมีเข้ากวาจะไปแค่บันน่ะอันขนเนี่ยมันเสียมาขาเข้ามันกับ่บอกนี่แม่นบอกพวลเรนเพราะว่ามึงกับระวังแล้วเขาเสียมาขามึงมาสั่นโอ้ยเขามาเขากับว่าบอกกูมาสั่นบกหนึ่งมันเกินแมงข้าย่านจะข้นเนี่ยเอื่นข้าบะย่านผีข้ากรบายาน มั ang, así, ่นมัยิ่งเขวะแ้ห้อกับที่ยิ่งแท้เท่ากันน่ะแหละแขวะห้องก็ไม่หรือบางีเ้องจะบอกว่าเช็จน้ำก่อนห้างพยาธีเนี่ยห้องยาดพนนี่เห้องยาดด้เล็กน้อยนยมันใช้ยาเบื่อให้ก็ได้เมนบอกลุงพ่อลุงพ่อคนแม่เอาขนมมาให้มาท่นเอาไส่บลาใส่ท่นกินกระต่ายอั้งตัวแมนบอกพูดเถอถึอดาขึ้นมาก้วยคนคุยๆคนทำท่าถึงดาแลวทำท่าตีไปไปขีดเมนบอ เงี้ยบ่งั้นบ่งั้นบ่งั้นบ่ทําให้อานหารทําให้อ่าเริงเองไม่ใช่ดุไม่ใช่ดุพูดดังพูดดังให้ฟังชัดอย่างนี้แต่งแค่นั่นเอกะนายร่วงน่อยมาเลยวันครับนายร่วงน้อยมาเลยวันครับไปเอี้นายร่วงน่อยมาเรยวันครับไปเอี้นายร่วงน่อยมาเรยวันครับไปเอีก เขาต้องเรียกน้ากันสมัยราชการที่อหกนายด้วงน้อยมาเรียนวันครับไปอีกนายด้วยบุนรองน้อยมาเรียนวันครับมามาม า, ม, า <c oughs> มันพูดมันพูดออกแอบมาเฉยๆพูดออกแอมพูดไม่เขาไม่ให้เขาได้ยินเข้าไปมาพูดโรงเรียนเข้าบววันบวไหวขอหเอาละได้แล้วอันนู้นนี่เข้าไปเชิดายเรียเลขเลีนท้นายเรียนบัตรเรีนเบอร์ เพระเชษายาข้ากินทั้งนี้ห้าก็ว่าอย่างพึงงายองอาจได้เลย อ, อี่พอีเมอเอ๋ย น, น, นั่น่มือแรกนี่กัดิมาอีกได้ละมือนีประชุ่มมากันนะเออยี่กรมเอาแล้วเนาะไปไปทำแล้วเวลาหลายชั่วโมงขันไทยมถึงสินทั้งท่ามือนี่มันก็งยบเติบพระพุทธเจ้าองค์ใดมาเทศเอาว่าไดหรอกแม่นว่ามึงแล้วท่านละเออขัน พ, พวกพร่มอ่ะ ผู้ใดไ ด, ได้แล้วยังเสอเอาเองได้หนังสือมันถึงอะได้เดี๋ยวนี้ผู้ใดามาซิบเี่เอาไปซิบเชียวมายอมนี่ฉันบ <c oughs> อก เ, เอาแต้งกันมาซิบเชียวเอาซิบเชียายอมนีพิมพ์เพิ่พิมพ์ให้ผูพ้พิมพ์ให้ ม, ม, ม, ม, ม, มดเงินเกือบล้านนึงอผู <c oughs> ้เอาไปผู้เอาไปเอาไปไว้ยัซื้อเห็นหมูเอาละเอาหลว่เบิ้งกักเทียน่เอาไปเสียเปรียบหมูอันนั้นเขาเไยักไหอันน เอาไปขับวาก้าสีเบิ้งจะเอาไป เ, เคิร์กเอาให้ผู้อื่นสัพพทานังธรรมทานังชินาติให้อะไรเป็นทานก็ไม่เท่าให้ทมเป็นทานให้ทำเป็นทานชนะทานท่าพวงเป็นห่วงบุท ธ, ธิดาเกรงว่าจะปฏิบัติไม่ชอบธรรมพระบรมศาสดาพระบรมศาสดากังวลพระสะพระราหุนเกรงว่าจะหมุนไปทางโลกนั่นนั่นนั่ะ เดี๋ยวมันมันสิงว่ากัดสินวะเลรใครนี่กัดสิม่านั่งยุ่งะรอยั่งร้ายเจ้า่งะเด๋ยเดี๋ยวเดี๋ยววปูมันล้อปูมันเนี่ยน้ำล้อปูมันว่าได้ว่ได้เอากับว่าได้เอานังสือว่างใส่บนเหียบเลยน้ำล้อปูมันถือนังสือผ่านไปในวัดถือจังสืออยู่น้ำล้อปูมันใครถือแก้มคีมสิไไ่งวไรแหลถือเอาไว้สิให้ให้ หนังสือเตระศาสตร์แล้วพบลัพปูมันว่าเอาว่อเอาล่องในกระโถนเพลนว่ามันสามารถจารึกคาสอนพระองค์เจาเ้าห้องใดอยู่เย่ยเอาล่องกระโถนลูกเนื้อไปสัน่นลัพปูมันเอาช่มนำไล่ก็ว่าเอายียบก็บ่ายบีบเพลนเว้นไว้ถ้าเพลนว่าเห็นเพลนเอาอย่นี้หนังสือจีนกระร้าห น, นังสือยังกะ็ะซ้าสามารถจารึกคาสอนพระองค์เจ้า้งเจ้าห้องใดไปสัน่นมั่วตัวจะไปลองในกระโถนไปสั่นเพลนว่าเอาไวเ้เฮงพระ แล้วเอาไปให้แม่งสาบกัรทีซื้อบะอานี่ยโอ้เสียเปียกไปเลประวัติของเฮ้าขัน้นพูดไดอ่านน้ำตาบะออกมัดขาค้นก็ได้พวกนั้นนะ่ะประวัติของเฮ้าพูดได้อ่านน้ำตาบะออกขาค้นก็ได้ซื้อ่มีสินุงหรอจกจังหน่อยนลยซนะื้อแต่แต้ป้ายอนีนะเนะอ่าเคียบวะเครียดกระหอไปพันนี้นน้า ส่รถไปขายเนาะสายรถเคยไปขายไป็บ้ามามันเป็นนักชี้บว่าบ่เือบื้งข้างหลังเบื่งข้างหลังเก็บแต่ได้เนี่มันเป็นัชี้พระองค์นี่บา่บ่พระพิบ้าเนี่ยไปซ่าได้บ่พระพ่บาวเไปตัวตัววาาปานั้นมันพอดีลูกหลานมันดื้อห่างแด้เห็นตัวลูกหลานพระพุทธเจ้าห้างซอยพระพุทธเจ้าได้ยังไตัวดีป่นี่ยดีพอดีก็ะซั่มโจนี่แ่ละกระซั่พืน เดว่าอย่างไรท่านไม่อันบ่ดีพอดีก็ซ้ำตัวเลยนะว่าซ้ำพื้นเข้าใจบ่ชั่วปัญหาดีปัญาตัวดีพอดีก็ซ้ำตัวเยว่าซ้ำพื้นบอกสิทุกอย่างไหนว่าเหลี่ยมใส่าเพุทรรมประสงค์ไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนสมัคเทศได้หรอกมันเกิดระเเ้าคักจังเลยบ่เหลี่ยมใส่าเะพุทธธรรมประสงค์มนยังไปเรียนเล่เรนผาอย่าว้ามักผลเนีาดหมดโอ้ยสันผานี่ยเขาว่างลยหรอกเรียนผากรนยังมาหันเศร้าเนีอ ถืสาธาดาอื่นกับ่ทนเร้าฝ่ายผูกข้อผูกแขนกับว่าทันเศร้าอ้กระตุกกับว่าท่านเศร้าคัดากับว่าทนเศ้าเออเล่นเมียเขากับว่าท่านเศร้าเล่นผัวเขากับ่ทนเศร้าผมว่ามักผลในภาพมันสัน่านี่ว่าท่นเ่าม่น่าสเนา